โลกทิพย์ภาคหนึ่งรีบเรียงจากเรื่อง Life in the World unseen ตามคำบอกของวิญญาณท่านโรเบิร์ตฮิลเบนสันโดยสิริพุทสุขผู้บรรยายวิชาภาษาอังกฤษป่ายพุทธศาสนาในสภาการศึกษามหมาเมกุตราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาอดีตบรรณาธิการวารสารเดบันยูเอฟบีวิขององค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกโดยได้รับอนุมัติจากมิสเตอร์แอนโทนีบอร์เจียเจ้าของเรื่อง เลขสิทธิ์เป็นของสำนักค้นคว้าทางวิญญาณคำนำผู้จัดพิมพ์อาจารย์พรรัตนสุวรรณหมายเหตุในหนังสือจะมีข้อความเพิ่มเติมในการพิมพ์แต่ละครั้งจำนวนมากหลายข้อความไม่มีผลต่อความเข้าใจเนื้อเรื่องเช่นการจัดพิมพ์กี่ครั้งและอื่นๆดังนั้นจึงขอตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเพื่อฟังแบบประชับขึ้นนะครับ หนังสือเล่มนี้ในอดีตเป็นที่สนใจแก่ผู้อ่านจํานวนมากในหมู่ชาวต่างชาติโดยผู้เขียนใช้ํานวนการเล่าแบบนวนิยายอ่านสนุกเพลิดเพลินชวนติดตามครั้นเมื่อปลายเป็นไทยก็ได้รับความสนใจเกินคาดเพราะผู้แปลใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายเหมือนอ่านหนังสือที่คนไทยเขียนด้วยกันสาเหตุที่คนสนใจเรื่องนี้มากน่าจะเป็นเพราะข้อความที่บรรยายไว้ในหนังสือแม้ผู้อา่านอาจจะรู้สึกตอนแรกว่าไม่น่านเป็นเรื่องจริงหรือเกินจริง และในคําบรรยายั้นกลับมีเหตุผลมากพอที่เทียบเคียงและช่วยให้เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นจริงตามที่บรรยายไว้ซึ่งบุคคลที่มีพื้นความรู้พอเมื่อได้อ่านจะเห็นประโยชน์มากมายเช่นทําให้ไม่กลัวตายไม่เห็นแก่ตัวมีกําลังใจในการล่าชั่วประพฤติดีเพื่อเห็นกับความดีเป็นต้นความน่าสนใจเป็นพิเศษคือผู้เขียนเป็นคนนับถือศาสนาคริสต์แต่ข้อความที่เขียนบรรยายไว้ในหนังสือเรื่องนี้ กลับมาสนับสนุนเรื่องกรรมในพุทธศาสนาอย่างมากมายโดยในส่วนที่เป็นหลักวิชานั้นตรงกับหลักธรรมในพระไตรปิฎกเกือบทั้งหมดและตรงกับข้อเท็จจริงในเรื่องชีวิตหลังความตายที่อาจารย์พร ร, รรัตนสุวรรณได้ศึกษาค้นคว้ามานานจากการสอบถามส่วนตัวเมื่อครั้งที่มิสเตอร์แอนโทนีบอร์เจียยังมีชีวิตอยู่ได้ตอบเป็นจุดหมายกลับมายืนยันว่าท่านได้ฝึกสมาธิมานาน จนสามารถเห็นและได้ยินคำพูดของผู้ที่ตายไปแล้วหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาเพราะท่านบาทหลวงโรเบิร์ตอิวเบนสันซึ่งได้เคยรู้จักกันมาก่อนตั้งแต่สมัยมีชีวิตเมื่อท่านละโลกนี้ไปแล้วได้กลับมาบอกเรื่องราวต่างๆในโลกทิพย์ให้ฟังทั้งนี้เพราะสมัยท่านโรเบิร์ตอิวเบนสันยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นผู้หนึ่งที่มีสมาธิดีถึงขั้นเห็นโอปปาติกะเช่นกันท่านได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายไว้หลายเล่ม แต่สมัยนั้นท่านตกอยู่ภายใต้อิทธิพลคําสอนทางศาสนาที่เชื่อกันแพร่หลายอยู่ในสมัยนั้นจึงไม่กล้าเขียนตามความคิดเห็นของตนจริงๆดังนั้นหนังสือที่เคยเขียนเกี่ยวกับชีวิตในโลกของโอปปปาติกะหรือชีวิตหลังความตายจึงมีผิดพลาดมากมายหลายแห่งท่านจึงมีความเสียใจที่ได้สร้างความเข้าใจผิดให้กับมนุษยชาติเพราะท่านเป็นผู้มีชื่อเสียง หนังสือที่ท่านเขียนได้รับความนิยมพิมพ์เผยแพร่ไปอย่างมากมายในหลายประเทศหลายภาษาฉะนั้นเมื่อท่านใช้ชีวิตในโลกทิพย์หรือในโลกของโอปปาติกะด้วยตนเองและได้ศึกษาจนกระทั่งคิดว่ามีความเข้าใจดีพอสมควรแล้วเมื่อมีโอกาสจึงได้มาติดต่อกับมิสเตอร์แอนโทนีเพื่อที่จะบอกเล่าถึงความจริงในโลกทิพย์ให้คนทั่วไปได้เข้าใจให้ถูกต้องพร้อมทั้งพนันนาถึงความยากลําบากในเรื่องการติดต่อกับมนุษย์ ไว้อย่างน่าสรรเสริญในความพยายามของท่านเพราะฉะนั้นหนังสือเรื่องนี้จึงนับว่าเป็นเรื่องที่น่าศึกษาและหาได้ยากยิ่งเรื่องหนึ่งอันหนึ่งขอให้ผู้อ่านทราบไว้ด้วยว่าไม่ควรเชื่อทุกข้อความในหนังสือนี้ไปทั้งหมดเพราะบางคนแม้จะติดต่อ ก, กับโอปปาติกะได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถรับถ่ายทอดได้ถูกต้องเสมอไปและยิ่งกว่านั้น โอปปาติกะที่บอกมาก็ไม่ใช่ว่าจะรู้แจ้งเห็นจริงไปเสี้ยงหมดทุกอย่างบางังญางเขาอาจจะบอกด้วยความเข้าใจผิดของเขาเองเรื่องราวต่างๆในทำนองนี้พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นานแล้วแม้แต่โอปปาติกะชั้นสูงคือชั้นที่เป็นพรมหรือเป็นเท พ, พเจ้าถ้าหากไม่ใช่อริยบุคคลก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิได้เรื่องแบบนี้มีปรากฏบ่อยๆหมายเหตุผู้อ่าน เช่นเพราะความที่ยังรู้เห็นได้จํากัดเมื่อมีเห็นอะไรนอกไปกว่าที่ตนสัมผัสได้แล้วก็คิดว่ามีภพภูมิสูงสุดแค่นั้นหรือเมื่อได้ชีวิตในสวรรค์ชั้นที่มีอายุยืนนานมากก็ยังคงสภาพเดิมจึงเข้าใจผิดว่าจะมีชีวิตนิรันดร อ, อยู่แบบนั้นไปตลอดกาลหรือถึงขั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นผู้สร้างโลกสร้างมนุษย์หรือเป็นผู้สูงสุดเพราะเห็นสัตว์โลกและเทวดาอื่นๆต่างพากันเวียนตายเกิดแต่ตนยังคงเหมือนเดิม ทั้งที่จริงเพราะอายุยาวนานมากยังไม่ถึงเวลาจุติหรือเส้นบุญเรื่องนี้ไม่ใช่เกิดกับคนนอกศาสนาเท่า น, นั้นนะครับแม้คนนับถือพุทธจำนวนไม่น้อยก็หลงผิดคิดว่าสภาวะสมาธิอันปราณีตเป็นการบรรลุธรรมหรือเข้าใจผิดว่าภูมิแห่งความสวยสุขอันปราณีตบางแห่งเป็นการบรรลุนิพพานได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าเรื่องที่ท่านโรเบิร์ตฮิวเบนสัน นำมาบอกมิสเตอร์แอนโทนีนั้นแม้ว่าจะได้รับถ่ายทอดมาอย่างถูกต้องบันทึกไว้ตามที่บอกทุกคำโดยไม่ตัดต่อหรือต่อเติมความคิดเห็นของตนเองเลยก็ตามก็มีทางที่จะผิดได้คืออาจเป็นความจริงเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเราท่านโรเบิร์ตอิวเบนสันยังไม่ใช่เป็นสัพพัญญูในเรื่องโลกทิพย์คือยังรู้ได้ในขอบเขตจากัดรู้เฉพาะในภูมิระดับที่ยังมีอุ ป, ปาทานความเชื่อ ย, ยึดถือมั่นในแนวเดียวกัน ความจริงยังมีภพภูมิปลีกย่อยแยกไปต่างหากอีกมากที่เกินความสามารถที่ท่านจะรู้จะเห็นจะเข้าใจได้โดยเฉพาะหากยังไม่ได้ชาญสมาบัติหรือบรรลุเป็นอริยบุคคลจุดประสงค์การพิมพ์หนังสือ น, นี้เผยแพร่คือต้องการให้เห็นว่าตายแล้วไม่สูญหากยังไม่บรรลุนิพพานก็ยังต้องมีชีวิตต่อไปและมีอยู่อย่างสมบูรณ์ด้วยความดีชั่วที่ทาไว้ไม่สูญสิ้นไปไหน ซึ่งหลักนี้เป็นหลักของพุทธศาสนาแท้ๆท่านที่ต้องการทราบโดยละเอียดขอให้อ่านจากหนังสือเรื่องผีและเทวดามีจริงซึ่งในที่นี้ชมรมผลดีจะทำเป็นเสียงอ่านในอนาคตต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านลองคิดดูให้ดีถ้าคนในพุทธศาสนายืนยันหลักอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าประหลาดอะไรแต่ถ้าเป็นบุคคลในศาสนาอื่นยืนยัน และเป็นการยืนยันอย่างเป็นหลักฐานจากบุคคลสำคัญในทางด้านศาสนาของเขาเช่นนี้แล้วก็ยอมจะทำให้เรารู้สึกตระหนักว่ากฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั้นต้องเป็นความจริงอย่างแน่นอนทั้งจะทำให้เรารู้สึกด้วยว่าหลักธรรมในพระพุทธศาสนากำลังจะขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางและมีอิทธิพลแทรกซึมเข้าไปในลัฐที่อื่นอย่างเห็นได้ชัดอันที่จริงเรื่องนี้ก็ไม่น่าจะประหลาด พราะหลักแห่งความจริงย่อมต้องเป็นจริงอยู่เสมอทุกการทุกสมัยหลักแห่งความจริงย่อมไม่ขึ้นอยู่กับชาติศาสนาขอให้นึกถึงความจริงทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์กันได้แล้วคนทุกชาติทุกศาสนาย่อมมีความเห็นตรงกันหมดหนังสือโลกทิพย์ซึ่งแปลามาจากหนังสือในภาษาภาษาอังกฤษชื่อ Life in the World unseen ชีวิตในโลกที่ตามองไม่เห็นนับว่าเป็นหนังสือที่ชาวพุทธควรจะได้อ่านทั่วกันต่อไป หนังสือชุดโลกทิพย์ของมิสเตอร์แอนโทนีบอเจียมีอยู่3ามเล่มด้วยกันซึ่งปลายเป็นไทยแล้วสภาคและมีเพิ่มเติมเป็นโลกทิพย์ภาคที่4ซึ่งเป็นผู้เขียนคนละท่านแต่เขียนอธิบายเรื่องโลกหลังความตายไว้ในแนวเดียวกันแต่อธิบายในเชิงวิชาการได้ลึกมากกว่าในที่นี้คือควรศึกษาทั้งหมดตามลำดับจะทาให้เข้าใจได้ละเอียดและถูกต้องตรงทางมากขึ้นนะครับ